Oh. Um. ที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณ น, นิโคทารามกรุงกบิลพัทนั้นมีเจ้าชายในสาขยวงศ์หลายพระองค์ได้เสด็จออกบรรพชาเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ตามทางแห่งพระพุทธองค์พระโลกนาถสำราญพระเรียบทอยู่ณ น, นิโคทารามตามพระอัธยาศัยพอสมควรแล้วส่งละกบิลพัทไว้เบื้องหลัง สเสด็จสู่แคว้นมละสําราณพระอริยบดยุณะอนุ ป, ปยมภวันเมื่อพระศาสดาจากไปแล้วเจ้าสักยะทั้งหลายวิภาควิจารณกันว่าเจ้าชายเป็นอันมากได้ออกบวชตามพระศาสดายังเหลือแต่เจ้าชายอานนุ์เจ้าชายอนุรุตเจ้าชายมหานามะและเจ้าชายพัทยะเป็นต้นมิได้ออกบวชตาม ความจริงเจ้าชายเหล่านี้พระญาติได้ถวายให้เป็นเพื่อนเล่นเป็นบริวารของพระสิท ธ, ธะในวันขนานพระนามเจ้าชายเหล่านี้คงมิใช่พระญาติของพระพุทธองค์กำมังจึงเฉยอยู่มิได้ออกบวชตามเจ้าชายมหานามะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ได้ฟังเสียงวิพากวิจาร์ดังนี้รู้สึกละอายพระไทยจึงปรึกษากลับพระอนุชาคือ เจ้าชายอนุรุตว่าเราสองคนพี่น้องควรจะออกบวชเสียคนหนึ่งในที่สุดตกลงกันว่าให้พระอนุชชาออกบวชแต่พระมารดาไม่ทรงอนุญาตลูกหลักพระนางตรัสเจ้าจะบวชได้อย่างไรการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าต้องเสวยวันละครั้งต้องเสด็จด้วยพระบาทเปล่า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 และมิใช่เป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อพระญาติหลายองค์ซึ่งเคยมีความสุขสบายอย่างหม่อมฉันนี่แหละยังสามารถบวชได้ทำไมหม่อมฉันจะบวชบ้างไม่ได้อีกประการหนึ่งพูดถึงความสะดวกสบายพระศาสดาเคยสะดวกสบายกว่าหม่อมฉันมากนักเพราะองค์ยังสามารถอยู่ได้โดยไม่เรือดร้อนทำไมหม่อมฉันจะอยู่ไม่ได้ น่าจะมีความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งมาทดแทนความสะดวกสบายที่เสียไปและเป็นความสุขที่ดีกว่าประนีดกว่าหม่อมฉั้นคิดว่าหม่อมฉันทนได้ลูกหลักถึงแม้เจ้าจะทนอยู่ในเพศบรรพชิตได้แต่แม่ทนไม่ได้แม่ไม่เคยเห็นลูกลำบากและแม่ไม่ต้องการให้ลูกลำบาก ลูกเป็นที่รักสุดหัวใจของแม่แม่ไม่อยากจะอยู่ห่างลูกแม้เพียงวันเดียวจะกล่าวใหญ่ถึงจะยอมให้ลูกไปบวชซึ่งจะต้องอยู่ห่างแม่เป็นแรมปีอันหนึ่งเล่าแม่ไม่เห็นว่าจำเป็นอย่างไรที่จะต้องบวชถ้าลูกต้องการจะทำความดีเป็นอยู่อย่างเครือหัดก็ทำได้และก็ดูเหมือนจะทำได้สะดวกกว่าด้วยซ้าไปอย่าบวชเลยลูกหลัก เชื่อแม่เธอว่าแล้วพระนางก็เอาพระหัตร์ูปเส้นพระเกศาเจ้าชายด้วยความกรุณา ถ้าแต่พระมารดาพูดถึงความลำบากยังมีคนเป็นอันมากในโลกนี้ลำบากกว่าเราหรืออย่างน้อยก็ลำบากกว่าบรรพชิตพูดถึงเรื่องการต้องจากกันระหว่างแม่กับลูกยังมีการจากกันอีกอย่างหนึ่งซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าการจากไปโบทนั่นคือการต้องจากเพราะความตายมาถึงเข้าและทุกคนจะต้องตาย หลีกไม่พ้นถูกแล้วที่มารดาบอกว่าการทำความดีนั้นอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การบวชอาจจะทำความดีได้มากกว่าเพราะมีโอกาสมากกว่าถ้าเปรียบด้วยภาชนะสำหรับรองรับน้ำภาชนะใหญ่ย่อมรองรับน้ำได้มากกว่าภาชนะเล็กและภาชนะที่สะอาดย่อมไม่ทาให้น้าสก ป, ปรกเพราะฉะนั้นลูกจึงเห็นว่า การบวชเป็นภาชนะใหญ่ที่สะอาดเหมาะสำหรับรองรับน้ำคือความดีลูกรู้ได้อย่างไรในเมื่อลูกยังไม่ได้บวชความคิดอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้พระนางมีเสียงแข็งขึ้นเล็กน้อยลูกยังไม่รู้แต่ลูกอยากจะลองเอาอยัางนี้ดีไหมคือถ้าเจ้าชายพัทยาพระสหายของเจ้าบวช แม่ก็อนุญาตให้เจ้าบวชได้พระนางเข้าพระไทยว่าอย่างไรเสียเจ้าชายพัทยาคงไม่บวชแน่เจ้าชายอนุรุตดีพระไทยมากที่พระราชมารดาดํารัสคํานี้พระองค์รีบเสด็จไปหาพระสหายตรัสว่าพัทยาขปเจ้าปรารถนาจะบวชตามเสด็จพระาศาสดาแต่การบวชของขพเจ้าเนื่องอยู่ด้วยท่าน คือพระราชมารดาตรัสว่าถ้าท่านบวชจึงจะอนุญาตให้ขพเจ้าบวชสหายเจ้าชายพัทยาตัดตอบขพเจ้าก็คิดจะบวชอยู่เหมือนกันได้ยินคนเขาวิพากษ์วิจารณกันแล้วรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจพระศาสดายังบวชอยู่ได้ทําไมเราจะบวชไม่ได้เจ้าชายอนุรุตดีพระไทยเป็นที่สุดเมื่อทูลพระมารดาแล้ว ทั้งสองสหายก็ได้ชักชวนเจ้าชายอีกสีพระองค์คือเจ้าชายอานน์เจ้าชายพระคุเจ้าชายกินพิระและเจ้าชายเทวทัตเป็นหกองค์สเสด็จออกจากพระนครกบิลพัทมุ่งสู่อนุ ป, ปยามพวันแควนมันละเมื่อสเสด็จถึงพรมแดนระหว่างแควนสักกะและแควนมันละพระราชกุมารทั้งหก็รับสั่งให นายอุบาลีผูสามาลาซึ่งตามเสด็จมาส่งกลับไปสู่นครกบิลพัทพร้อมด้วยเปลืองพระผูษาซึ่งมีราคามากมอบให้อุบาลีนำกลับไป ในขณะที่หพระราชกุมารและนายอุบาลีภูสามาลาจะแยกกันนั้นราวปานประหนึ่งว่าจะถึงซึ่งอาการร้องไห้มหาปตพีมีอาการสถานสะเทือนเหมือนจะแยกออกจากกันอุบารีจำใจจากพระราชกุมารกลับมาทางเดิมได้หน่อยหนึ่งจึงคิดว่าการที่จะนำเครื่องประดับอันมีค่า ซึ่งเจ้าของสละแล้วโดยปราศจากความใ ย, ยดีไปขายเลี้ยงชีพตามคำของพระราชกุมาร น, นั้นปานปละหนึ่งผู้กลืนน้ำลายซึ่งเจ้าของถมแล้วจะประโยชน์อะไรที่จะทำอย่างนั้นเกิดสังเวชสลดจิตจึงเอาเครื่องประดับเหล่านั้นแขวนไว้กับกิ่งไม้แห่งหนึ่งแล้ววิ่งกลับไปแจ้งความประสงค์กับพระราชกุมารว่าข้าแต่เจ้านาย ข้าพเจ้าขอตามเสด็จไปด้วยเพื่อจะได้รับใช้พระองค์ต่อไปพระราชกุมารทั้ง6ทรงปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่งจึงยินยอมให้อุบาลีตามเสด็จด้วยพระราชกุมารทั้งหพระองค์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลขอบรรพชาอุปสมบทแล้วทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายมีทิฏฐิมานะมาก เมื่อบวชพร้อมอุบาลีซึ่งเป็นคนรับใช้มาก่อนถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายบวชก่อนก็จะพึงใช้อำนาจกับเขาอีกเพราะฉะนั้นขอให้พระผู้มีพระภาคให้การอุปสมบทแก่อุบาลีก่อนเถิดเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจักได้อภิวาลุกรับเขาเมื่ออุปสมบทแล้วเป็นการทำลายทิฏฐิมานะไปในตัวเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ เมื่อบวชแล้วไม่นานพระพัทยะพระภคุพระกิมพิละและพระอนุรุตก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตได้สาเร็จฌานแห่งปุถุชนส่วนพระอานนท์ซึ่งมีพระเพรทศสีสะเป็นอุปชายยะและมีพระปุณณมนตานีบุตรเป็นพระอาจารย์ได้สาเร็จเป็นโสดาบัน หลังจากอุปสมบทแล้ว19พันษาพระอานนท์ได้รับตำแหน่งเป็นพุทธุปรากดังกล่าวแล้วแต่หนหลังหน้าที่ประจำของพระอานนท์คือ 1. ถวายน้ำสองชนิดคือทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อน 2. ถวายไม้สีฟันสขนาด 3. เมื่อพระหัตและพระบาท 4. เมื่อพระประดิษ 5. ปัดกวาดพระคันธกุฎีและบริเวณพระคันธกุฎีในราตรีการท่านกำหนดในใจว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคคงจะทรงต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือรับสั่งนั้น รับสั่งนี้แล้วท่านก็เข้าไปเฝ้าเป็นระยะระยะเมื่อเสร็จกิจแล้วจึงออกมาอยู่ยามหน้าพระคันธกุฎีกล่าวกันว่าท่านถือประทีปด้ามใหญ่เดินวนเวียนพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคถึงคืนละแปดครั้งอันว่าท่านอันนท์นี้สามารถทำงานที่ได้มอบหมายดียิ่งนัก เมื่อได้รับมอบหมายสิ่งใดจากพระพุทธองค์แล้วท่านทำไม่เคยบุกพล่องเช่นครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกสลทรงศรงัทธาปรารถนาจะถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประจำและทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จเข้าวังทุกๆวันพระจอมุนีทรงปฏิเสธอย่างละมุนละม่อมว่ามหาบพิธธรรมดาว่า พระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเป็นอันมากผู้จำนงหวังเพื่อทําบุญกับพระพุทธเจ้ามีเป็นจํานวนมากอยู่อั น, นึ่งพระพุทธเจ้าไม่ควรไปในที่นิมนต์เพียงแห่งเดียวควรสงเคราะห์แก่คนทั่วไปถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นประมุขนําพระสงฆ์มารับ โภชนาหารในนิเวศของข้าพระองค์เป็นประจำเถิดพระเจ้าประสเสนทิโกสนทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์นำภิกษุจำนวนมากไปสู่ราชนิเวศเป็นประจำในสองสามวันแรกพระเจ้าประเสณทิทรงอังคาดภิกษุด้วยโภชนาหารอันประนีตด้วยพระองค์เองแต่ระยะหลังๆมา พระองค์ทรงลืมพิสุทั้งหลายคอยจนสายพระองค์ก็ยังไม่ทรงตื่นบรรทมพิสุทั้งหลายจึงกลับไปเสียเป็นส่วนมากและเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยเข้าพิสุทั้งหลายก็ไม่มาคงเหลือแต่พระอาห น, นุนองค์เดียวเท่านั้นเป็นธรรมเนียมในพระราชวังถ้าพระราชาไม่สั่งใครจะทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้น ราชบริพานจึงไม่สามารถจัดอาหารถวายพระสงฆ์ได้วันหนึ่งพระราชาตื่นบรรทมแต่เช้าสั่งจัดอาหารถวายพระเป็นจำนวนร้อยเมื่อถึงเวลาพระองค์เสด็จออกเพื่อถวายพระกริยาหารไม่ทอดพระเนตรเห็นพระอื่นเลยนอกจากพระอานนุ์ซึ่งอดทนมาทุกวันพระเจ้าประสเสนทิทรงพิโรธยิ่งนัก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 พระสงฆ์คงจะไม่คุ้นเคยกับราชตระกูลกระมังจึงกระทำอย่างนั้นมหาบพิษสำหรับอาณ น, นั้นเป็นบัณฑิตเป็นผู้เข้าใจเหตุการณ์และมีความอดทนอย่างเยี่ยมเป็นบุคคลที่หาได้ยากอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสธิที่โกศลมีพระประสงค์ให้พระนางมัลลิกาอัครมเหสี และพระนางวาสพคติยาราชเทวีศึกษาธรรมพระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้พระอานนท์เป็นผู้ถวายความรู้พระนางวาสพคติยาพรธิญาตของพระผู้มีพระภาคเรียนโดยไม่เคารพคือศึกษาอย่างขัดไม่ได้ส่วนพระนางมลิกาทรงตั้งพรัทยศึกษาด้วยดี พระอานนุนนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระผู้มีพระภาค พ, พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอา น, นุ์วาจาสุภาษิตย่อมไม่มีประโยชน์แก่ผู้ไม่ทําตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยสันฐานดีแต่หากลิ่นมิได้แต่วาจาสุภาษิตจะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ทําตามเหมือนดอกไม้ซึ่งมีสีสวย